ตอนนี้ไปพะกันจงใจฟังธรรมวันนี้เป็นวันพิเศษคือวันไม่มาค่าบูชาหรือวันแผ่นเดือนสามมาค่ากับไปว่าเดือนสามในภา ษ, ษาบาลีบอกมาค่าภาษามเมืองเราเรียกว่าสามเดือนสามแผ่น เ, เดือนสามทุกปีก็ต้องทำาว่ชามาค่าบูชา แต่เ็เป็นไปตามปีถ้าปีไหนมีอธทิกามาศมีปีแปดสองนก็ต้องเลื่อนไปเดือนสี่ถ้าไม่ใช่แปดสองนก็เดือนสามเป็นวิสาขบาูชาก็เหมือนกันก็ต้องเลื่อนไปตามนั้นอันนี้ก็เรียกว่าเลื่อนไปตามเดือนของไทยส่วนวันซิพูริเจ้า พาทหรือพาประกอบก็ลายตัวเป็นตายตัวอย่างนั้นามาข้าบูชามาข้าบูชาก็เป็นเดือนสามเดือนเดินสามก็ว่ายอย่างนั้นคืออันนี้ปลาลบเผตุเบื้องต้นพภิสิทธิจยาของเราด้ตรัดสรู้ที่พุทธคยาแล้วก็ สเสด็จไปโปรดพระปัญจวัคคีย์ที่ปาอิสีปตนะมฤกทายวันและแสดงธรรมมัจกคกพนฐานสูตรโปรดพระปัญจวัคคีย์ดังห้าอาจนปัญจวัคคีย์ดังห้าได้เป็นพระยาบุคคลเป็น ด, นนดานลหันตลอด ถ, ถึงอายะสาอีกความทั้งลายหายสาหายอีกห้าสิบห้า รวมแล้วเป็นอรหันต์มาหกสิบเอ็ดองค์ท้งพุทธเจ้าางันสมัยนั้นการภาษาปีภัษานั้นนะเทศนาสั่งสอนปีนั้นเข้ากันาษาที่หนเลยพอออกกันภษาแล้วพุทธเจ้าก็เรียกภาษาวกทางหลายมาประชุมกันมาว่าเราทางหลายทั้งเราทางท่านท้งหลาย อานานณีได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้พ้นจากชาติชราพยาธิมรณะแล้วได้ปฏิบัติถูกต้องตามพามแต่ว่าประชาชนทั้งหลายเขาที่เขามืดเ้าบอดยังมีอยู่ฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายจะพากันเที่ยวไปในชนบทในที่ต่างๆเพื่อจะไปเทศนาสั่งสอนประชาชนทั้งหลายเหล่านั้น ให้เขารู้ทมให้เขาปฏิบัติธรรมเขาก็จะได้พระพุธปฏิบัติธรรมหลุดพ้นจากอาชราพยาธิมาแลนะแต่ว่าให้แต่ละองค์งไปไปองค์เดียวไม่ไปพร้อมกันหลายองค์สำหรับตัวเราเราก็จะไปเหมือนกันแต่จะไปอีกทางหนึ่งห้หมู่ท่านจะไปอีกทางหนึ่งกว่านันแล้วพูดยาวตัดสั่งตอนตอนที่ออกกระส่าแล้วอะ ให้พึสูตรสงทั้งหลายผแยกจ้จายกันไปในที่ต่างๆตอสงฆ์ทั้งหลายก็พักกันกระจายไปในที่ต่างๆในบ้านนอกบ้านน้อยเมืองใหญ่เฉสนาสั่งสอนประชาชนให้รู้จักธรรมะคำสอนมีนนะถ้าผู้ใดเกิดความเลื่อมใสอยากจระบวดในาศาสนาคนเหล่านั้นเขาก็ เอาคุณระบุดผู้ที่เรื่องสายนั้นนามาหาพูา้ติจ้าพผู้ติจาก็โปรดประทานให้มันมาาประชารังสมบัตเมื่อมันมีอย่างนั้นพู้ติจาทรงอนุญาตให้ต่อ น, นั้นต่อ น, นี้ไปให้ท่านทั้งหลายบวชให้เขาเองกันแล้วกันบวช ด, ด้วยกันปฏิญาณตอนถึงพระไตรสารณคมก็แล้วกันแล้วก็วกรับศีลครั้งแรกยังไม่มีศีลหรอก การแต่วตรับไตส่สลาเขพูดทางถาังสังขังถึงตาทียามปีพูดทางสังตาทียามปีสังขังสังกระชาเนี่ยเดี๋ยวปฏิญาณตนตถึงพุทธประธรรมประสงค์ก็เป็นการบรรพชาแล้วอันนั้นอนุ ญ, ญาตให้ภาษาวกธรรมต่อมาพระทธเจ้าจอึอนุญาตให้เป็นการบรรพชาทีนะคือให้บวชคนที่อายุย่อนกว่ายี่ส แล้วก็เติมสินคือขาบทจิบเข้าไปอีกได้ว่าสินสิบให้สามเลยนักษาสินสิบจนภาษาวัคนิไายก็ไากันเที่ยวไปในที่ต่างๆบางองค์ก็เลยนํามาบางองค์ก็ยังไม่ได้นํามาส่วนทูตเดจาวนั้นพระองค์ก็เสด็จไปตอนที่บงอกเสด็จไปตามระยะทางนั้นว่าทางแรกก็ดูไปครบ สหายสามสิบคนที่ไล่ไฟเสียหายสามสิบคนนั้นพาทั้งพรนุยาทั้งเดียว้งไปเที่ยวไป้อกเขาไปเที่ยวป่าพอดีสหายคนหนึ่งไม่มีไม่มีภรรยาก็เลยเอานางโสภีนีไปด้วยนางโสภีนีมันก็เลยเป็นเป็นคนที่รักอะเลยรักเอาวัดถวิสิ่งของเขาคนั้นหนีคนเหล่านี้เขาตามหาผู้หญิงคนนั้น มันรักของมันไปทางไหนถ้ากันตามม า, มาเจอพระพุทธเจ้าที่ไล่ภายประกาโทษนะว่าสมระธรรมสาท่านสมณะนะเห็นหญิงคนหนึ่งผ่านไปนี่ไหมว่างั้นพระเย้าตัดว่าเออโมทเธอทั้งหลายนะ่ะจะแสวงหาผู้หญิงเหล่านั้นหรือจะแสวงหาตัวเองว่างั้น พวกเราเนะี่ยแต่ว่าก็ต้องสแสวงหาตัวเองนะั่นเป็นที่ดีที่สุดเอาทางนั้นกระพ ก, กันนั่งลงเขาจะแสดงธรรมให้ฟังนะพุทธิจารแสดงธรรมทานั้นคนสามสิบคนนั่งลงพุทธิจารย์แสดงธรรมให้ฟังแสดงธรรมให้ฟังก็ด้วยแสดงธรรมกับบรรลุมรควนไปเลยแล้วพุทธิจารก็อนุญาตให้บรรดาชาปสมบทไปเลยเป็นที่สุด ส่งไปประกาศศาสนาทันทีอันนี้หมายถึงเรื่องต้นพอได้บรรณุเท่านั้นก็ไปเลยแล้วกับเมียเขามุนเอาไว้ที่ไหนก็ไม่รู้อะท่านเลยไม่กล่าวถึงหมูนั้นมาบวชเป็นพระแล้วก็หนีเมียหมดเลย ท, ท, ทิ้งเมียไว้ป่าเรื่อานน่ะส่วนวิจิจาว ก, เก็เสด็จไปที่สำ ม, มนอุรุเวลาไปโปรด กุลุเวลากระส ป, ปะนาทีกัะส ป, ปะขยายกระสป่าสามพี่น้องสามพี่น้องถือลัติบูชาไฟพระเจ้าก็ไปทรมานด้วยการแสดงอปฏิหารเยอะแยะเป็นพันๆแสดงติิฐานโอดชดินสามพี่น้องรวมแล้วทั้งบริวารก็เป็นพันหนึ่งพันกับสามคน โอให้บวชได้เป็นเป็นพระลรหันหมดเลยเราได้เป็นบาหานแล้วพุทธิยาก็พร้อมด้วยไปสุพันสามรูปครั้งแรกก็แสดงธรรมตรงนั้นแล้วก็ไปไปที่ขยาสีสามใกล้มปน้ําขยาไปแสดงอนิตตะและคณะสูงให้ภิกษุผ่านสามรูปเราฟังภิกษุทั้งหลายลเราเลยสำเร็นลหัน พอสำเร็จละหันแล้วก็พุทธยาก็พาสาวกทั้งหลายพันสามลกูกเสด็จไปสเสด็จไปไปเจไปเยี่ยมพระเจ้าปิวิสา์พระเจ้าปิวิาณ์นทราบข่าวก็มารอเฝ้าพราะพุทธยาวที่รัตถีวันหสวนตาหนุ่มพร้อมด้วยบริวารสิบสองนักหนด ก็มาฟังเพื่อจะมาฟังเทศฟังธรรมพุทธยิย้าตอนที่มานั้นพอพิกศูนย์สามร้อยลูกล้อมรอบพระพุทธเจ้าคราวา น, นี้ไอ้พวกโดยเฉพาะคือลุกเวลากัศวนะนาทีกัศวนะนาคาขยยากัศวะเป็นที่เคารพนับถือของชาวมกตเขาก็เลยสงสยัยว่าอาจารย์ของพวกเราคือ อุรุเวลากระสปะนาทีกระสปะเป็นเป็นสาวกของพุทธเจ้าหรือพุทธิสัมมาณโคโดมหรือสัมมาณโคโดมเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ของเราเหไนเขาพุทธเจ้ารู้วาไรติของคนเหล่านั้นจึงให้อุรุเวลากระสปะแสดงลาทิเดิมเองว่าอุรุเวลากัะสปะเราขอถามท่านเมื่อก่อนนะท่านประพฤติรัธิทีของท่าน่ะ เมื่อก่อนนะั้นท่านปฏิพุธปฏิบัติอย่างไรทำไมท่านจึงหยุดไม่ปฏิพุธตามรัที่เดิมละ่ะจึงมาปฏิบัติตามรัฐที่ของเราละ่ะอุลเวลาการสภาก็พานาให้ฟังว่าลัที่เก่านั้นว่าไม่จะใช้ไม่ได้แต่พระองค์ในบ่าวพบรพัฐทีใหม่หรือรัฐที่ของพระพาาะุทธญาติแนมันเป็นทางแพ้นทุกข์ท่องฆ่าบองจึงขอยอมเป็นภาษาโวก ประชาชนทั้งหลายเหล่านั้นก็เลยมีความเคารพนับถือยกนับถือพระพุทธเจ้าพระพทธาจาจึงแสดงธรรมให้แก่ชนทั้งหลายสิบสองนาขดแปลว่าพันสองร้อยอจนหนึ่งมื่นแสนสองหมื่นแสนสองหมืนคน คนทั้งแสนสองหมื่นด้วยน่นะฟังเทศ ฟ, ฟังพระพุทิเจา้าพระพุทธเจ้าก็แสดงอริยะแสดงอรรถบุตรกถานถอนานนาเรื่องธรรมเรื่องสิ้นเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องสวรรค์นนะึงพวกเหล่านั้นก็ได้พา ก, กันในบรรลุมรรผลว่าบริวารของพระเจ้าปิวิสารแบ่งเป็น สิบทั้งหมดแต่สิบสองนั้งห ด, ดสิบเอดนั่งหุดนั้นได้บรรลุเป็นพระโสดามันหมดเลยเฮ้ยเอกนัออ่งหุดเดียวถึงกายสละคมหุดเดียวก็หมื่นหนึ่งแหละก็โดยยอมรับถือนับถือพุทธธรรมรสงค์กราบไหวพุทธธรรมประสงค์นถ่ดไม่กราบไม่ไหวอย่างอื่นแล้วนี่ตอนที่พุทยาสเสด็จถึงขนตานหนุ่มเมื่อทีนี้พระเจ้า ไปมีสารก็ได้บรรลุเป็นพระสดาบันจึงไม่หมพระพุทธญาพร้อมสูงสูงสเสด็จไปให้ไปพักอยู่ที่เวรวันคือสวนไม้ไผ่ของแม่องค์แล้วบองก็ถวายเวรวันคือสวนไม้ไผ่เนะ้เป็นวัดเป็นวัดแรกทีเดียวทางเป็นวัดแรกพิยาก็สร้างกุฏิสร้างวิหารทําบุญให้ทานหนึง ต่างๆในนั้นและพุธิจาก็โปรดประทานเอสนาสังสอนประจาจนในขณะที่พฤทธิย่าของเราเสด็จประทับอยู่นั่นนะคานิพระอาจาิยในปัญจวัคคีท้งห้าองค์สุดท้ายปันจวัคคีที่ห้าคือกทัญญะวัปปะพัทธยะมหานามาและอาจาิยในองค์สุดท้ายองค์ที่ห้า ท่นได้สาเร็จล ahan แล้วท่านก็ไปบินทบาทในกรุงราชเกิดอ่อนก็พอดีอุปติสสะคือภาษาที่บุตรอระหมายนั้นเป็นปฏิภาชกยังไม่ได้บวชก็เห็นกิยามารยาเห็นไอ้บทของพระเจ้าจาิตรเกิดเรื่องใสเพราะว่าสมาณะอย่างนี้เรายังไม่เคยเห็นเอาละเราจะป็นต้องเพื ถ, ถามท่านว่าท่านบวช ในสํานักใครนะปฏิบัติทําอย่างไกดก็ดูอาการที่ท่านไปบินถวัติพอท่านได้บินถวัติท่านก็ออกจากเมืองก็ไปพักสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเป็นที่สบายแล้วแล้วก็เตรียมท้าดีใจถานตรงนั้นอุปติสาเห็นท่านนั้นก็จะไปจัดที่สถานที่สํารับให้กันในพักฉันพอเสร็จสับแล้วท่านก็ถามปัญหาถามว่า ข้าพเจ้านะั้นเป็นอุปติสาเป็นปริภาชกบวชเป็นปริภาชกแต่ว่าข้าพเจ้าอยากจะถามท่านท่านนะบวชดนสํานักใครใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านท่านปฏิบัติธรรมอย่างไ ร, ระเยนที่ท่านก็รู้ว่าโอ้โอพวกเดี๋ยทีเราเหล่านี้โดยมากมันก็เป็นปฏิบัติกับศาสนาจากนั้นเราจะสแสดงธรรมให้ลึกซึ้งแก่พวกเดี๋ยทีเหล่านี้ จึงกล่าวทำโดยคนะับอาจารย์นั้นบวชมาใหม่ใหม่ไม่ได้นานนะไม่สามารถที่จะรุกทำพิสดารได้ไม่สามารถที่จะบรรยายธรรมทั้งหลายให้ทั่วถึงแก่ท่านได้แต่ว่าเราจะแสดงหัวทําหัวข้อจะย่อให้ท่านฟังวัดทิศก็เออขอให้ท่านแสดงตามที่ท่านสามารถก็แล้วกันคับอาจาย์ต้องการเพียงนุก้กความเท่านั้น อาอยติสีถ้าเขาแสดงทำหวข้อเรว่อารมาแสดงเป็นภ า, าษาคตว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุปะสมานะตัดเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นทำทั้งหลายเกิดมาแต่เหตุปะสมานะตัดเหตุแห่งธรรมนั้นแล้วก็แสดงความดับแห่งธรรมนั้นอุบดีสัได้ฟัง เท่านั้นเราก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเลยเกิดความรู้ขึ้นมาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นตั้งพวงมีความนับเป็นธรรมดาที่นัน่เราเป็นพระโสดาบันก็คือหลักวิปัสนาญาณเกิดขึ้นนถ้ า, ว, าว่าตามองค์มรรคเถาพวกเราปฏิบัติว่าผู้ใดสามารถทําใจให้เป็นสมาธิด้วยสัมมา คางแรกการปฏิบัติภาคปฏิบัติเป็นสัมมาสติคือ ร, รักษาสติที่เราบริกรรมในใจว่าพุทโธพุทโธพุทโธ ร, รักษาใจจนใจสงบปุ๊บลงเป็นสมาธิเรียกว่าสัมมาสมาธิเมื่อสัมมาสมาธิเกิดขึ้นแล้วเมื่อใดต่อจากนั้นสัมมาทิฏฐิจึงจะเกิดขึ้นสัมมาทิฏฐิก็คือตัววิปาาัสสนาญาณ อยงที่ภาษาวขาได้ยินกันว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งหนึ่งทั้งปวงไหมือนอ่ะหมายความแบบมองเห็นว่าสังขารทั้งหลายมีปกติเกิดขึ้นแล้วแล้วมีปกติแปรเปลี่ยนแปลงไปในที่สุดไม่มีอะไรที่จะดำรงคงอยู่อย่างนั้นได้เชื่อว่าเป็นรูปธรรมทั้งหลายแม้จะเป็นนามธรรมมันก็เหมือนกัดเกิดแล้วขึ้นแล้วก็ดับไปทางนั้น พอเข้าในลักษณะอนิจจังทุกขณาตานั่แหละคือสังขารหนาหลายเป็นอนิจจังทุกขณาตานะเวลาวิปัสสนาญาณจะเกิดขึ้นมันต้องเกิดขึ้นจากกำลังของสมาธิสัมมาสมาธิอย่างพวกเรามาปฏิบัติเราพวกเราก็สร้างสัมมาสติเพื่อให้ใจของเราเป็นสัมมาสมาธิเกิดขึ้นเมื่อสัมมาสมาธิเกิดขึ้นแล้วบัดนี้นั่นไม่ต้องไปห่วงเลย ทางไม่ใช่เกิดปัญญายิ่งจะเกิดขึ้นทีหลังนั้นนะพวกเราจะมุ่งกันที่จะปฏิบัติเพื่อให้เกิดสัมมาสมาธิให้ได้มีหลักปฏิบัติของพวกเราทีได้ว่าถึงท่านเหล่านั้นท่านที่ บ, บ, บรรลมีบาลามีหมายคะว่าชาติก่อนนั่นท่านได้สร้างได้ทำมากรอนพอมาเจอท่านที่มีความรู้ความเข้าใจแนะนําหน่อยเดียวท่า น, นก็จะบรรลุเลยเป็นออกรติตันอยู่ พอท่านยกหัวข้อําขึ้นมาท่านนารู้เลยตัดสิรูเลยพอตัดสิรุ้ลราก็รู้แล้วว่าตัวเองได้เป็นเก็ถามว่ะขณานี้ภาษาสะไดายอยู่ไหนถามเอยไม่ต้องไม่ต้องไปสงสัยแล้วภาษาสะไดายอยู่ไหนขยันซีกว่าขณานี้อยู่วัดเรวันหนุ่นท่านบอกเออข้าพเจ้ามีสหาหิตอยู่คนหนึ่งขอให้ท่านไปก่อนเถอะผมจะตามไปภาษาในดทก็เลยเป็น ตัดไปไปบอกสหายคือโมคขลานะ่ะก็แสดงธรรมตามที่อาจารยเซแสดงธรรมให้ฟังให้มาโมคขลานะฟังโมคขลานะ่ะได้ฟังก็บรรลเุเป็นพระโสดาเหมือนกันฟังกับเพื่อนก็บรรลุไม่ได้ฟังกับอาจารย์ะแตวฟังกับเพื่อนอเนี้ยต่อกันได้สําเร็จเหมือนกันเมื่อสำเร็จแล้วก็พาไปเฝ้าพุทธเจ้าพร้อมกัน เผ้าแล้วก็ไปทูลขอวันวิชาบวสมบัติสำนับพุทียจ้าปุีาก็อนุญาตให้ปุถีเจ้าบวชนั่นแหละคือคู่สาวกของเราคือสาวบุบโมกขลานั่นเองแต่ว่าขนาดที่บวชใหม่ๆนั้นได้แค่พระโสดาบันยังไม่เป็นอรหันต์ว่าได้บวชแล้วได้เจ็ดวัน พระโมคขลานะได้เจ็ดวันก็ไปบําเพ็ญอยู่ที่ที่ป่าแห่งหนึ่งทั้งเดินจงกลมทั้งนัง่งสมาธิภาวานาแนะล้วก็ง่ว ง, ง, งเหงาเหลวนอนเต็มทีทั้งทั้ ง, ท, งที่เป็นพระสงฆ์ดาบาังแล้วนิวรณ์นะฮะก็อยากไปครอบกำท่านอยู่พระพุทธเจะเสด็จไปโปรดไปแนะนำแนะนำว่าท่านถ้าว่า เกิดความง่วงเหงาหานอนวิธีแก้ไม่ง่วงเหงาหานอนบอกว่าให้ลุกเดินก็เอาเดินจงกรมกันแล้วกันเดินถ้ามันเหนื่อยแล้วก็มองดูทางมองดูอากาศมองดูฟ้านี่มิจฉามันนักนะก็เอาเอาอะไรแหย่หัวเข้าไปมันคันหูหายหายหายวงเหมือนกันไมิจฉาแน่วิธีแก่ความง่วง คนสุดท้ายพระโมกขลานะก็ได้บรรลุอรหันต์ในวันนั้นวันที่เจ็ดบวชแล้วเจ็ดวันได้สำเร็จรรหันต์แต่ภาษานิบุทยังตั้งสิบห้าวันสาราลิบบทึงสำเร็จอรหันต์ตอนที่สำเร็จอรหันก็ดูยาตอนที่พระพิทธาแสดงธรรมแกสิาาคณะขะคขิสวะคขิเวสนาโคตร เป็นหลานของภาษาลิบุตนั่นนะ่ะแสดงธรรมพระพุธทธเจ้าแสดงตอนหนึ่งว่าสภาวธรรมทั้งปวงทั้งหลายนั้นนะ่ะทั้งดีแล้วไม่จะไปยึดไปถือไม่ได้เท่านั้นนะปล่อยวางทั้งหมดภาษาริบุตก็เกิดความรู้ขึ้นมาออกพระพุทธเจาเนี่ยทรงไม่แหย่ยึดถือในธรรมทั้งปวงจิตใจของมันเลยบรรลุสมเร็จเป็นลาหน์เหมือนนั้น เขาสำเร็จพระราหารลานลตอนตอนบ่าย่ในวันนั้นล่ะพุทธเจาก็ประกาศประกาศแต่งตั้งอัคาสาวกภาษาจีนเป็นภาษาขวามูกลานะภาษาซ้ายเพราะว่าสมัยนั้นพระราหลนตอนนั้นตอนที่พุทธเจ้ากำลังจะ พระมดังเสดทานาพระปิยามีความประสงค์จะประชุมสงฆ์สงทั้งหลาย้ากันมารวมกันคณาดนันด้วยจะได้พันห้าร้อยพันสองร้อยห้าสิบองค์ตอนนั้นนะที่บรรลนก็มาประชุมกันที่วัดเวรกวันเลยโดยไ ม, ม่ได้มัดหมายอะ พระพุทธเดียร์ม่ได้บอกใครแต่ว่าพระสงฆ์ทั้งหลายท่านรู้เองเพราะว่าเป็นพระอรหันต์นี่ท่านวารลจิตของท่านก็รู้พระพุทธเจ้าจ ะ, สะแสดงโอวาทปฏติโมกในวันไพ็เดือนสามพระสงฆ์ทั้งหลายก็มาประชุมกัน พ, กพระพุทธเดียรก็ประกาศอักษรวกซ้ายขวาแล้วก็สแสดงโอวาทปฏิโมก โอวาตปฏิโมกไปว่าโอวาตก็ไปว่าคําสอนปฏิโมกกับว่าคําสอนที่เป็นหัวหน้าเป็นแม่บทสําหรับที่จะแสดงธรรมที่จะนําจิตใช้ทุกคนต้องทําตามบทโอวาตปฏิโมกนั้นทําอย่างอื่นไม่ได้เนี่ยข้อปฏิบัติในทำเทที่พระเจ้าแสดงนั้นประกาศให้สาวกรู้ว่าท่านทั้งหลาย จะแสดงธรรมให้แก่ใครๆฟังและประกาศธรรมทั้งหลายให้แก่ผูดด้ใดผู้หนึ่งฟังนั้นเราต้องบอกจุดมุ่งหมายให้เขาทราบวางเรื่องมาเรื่องเรามาปฏิบัติตามหลักคำสอนทางพุทธศาสนานี้แล้วเราจะได้ผลอย่างไรบ้างบอกดีว่าขอปฏิบัติสงสุดในพุทธศาสนานี้คือ นิพพานนางประรามังคือเข้าถึงนิพพานนิพพานนางประราังสุขขังนั่นน่ะเข้าถึงนิพพานโน้นมั้งส่วนทาให้เกิดสุขคือมโนสมบัติสาร ส, บ, สบัติอ่ะอันนี้มันตามระหว่างทางแต่ว่าผลสูงสุดนั่นคือนิพพานนางประรามังสุขขังนู่นเข้าถึงนิพพานนู่นมั้งอันนี้พระองค์ก็บอกวิธีปฏิบัติ และบอกวิธีบอกสอนผู้ที่จะไปสอนคนอื่นก่อนผู้ที่จะไปสอนคนอื่นนะไปแนะนำพัฒน์สอนคนอื่นนะจะไปด่าคนอื่นจะไปใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นจะไปตีคนอื่นได้ไม่ได้ต้องระวงังตัวเองเพราะว่าขณะนั้นเกิดในทาการสนาพุทธเกิดในท่กากลางศัตด์ขณะอื่น ถ้าไปแสดงทําก็อาจจะไปโจมตีพุทธศาสนาดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ศาสนาพามันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อืไปโจมตีเหไม่ได้พุทธเจ้าอย่าอย่าไปทําอย่างนั้นไม่ต้องไปบอกใครแล้วบอกแต่คําสอนของเราก็แล้วกันเราปฏิบัติอย่างนี้มันจะต้องทําได้ผลอย่างนั้นเอาแต่ของเรากันแล้วของคนอื่นมันจะดีถึงอย่างไรไม่อย่างไรไม่ไม่เกี่ยวของเราปฏิบัติต้องปฏิบัติอย่างนี้ นี่หมายถึงว่าผู้ที่จะไปสอนคนอื่นนะั้นจะไปโจมตีคนอื่นสายล้ายป้ายสีคนอื่นนั้นไม่ได้ต้องรักษาตัวเองให้ดีเอาครนี้จะสอนอะไรจะสอนคนนั้นนะสอนอย่างไรผู้ที่จะก็วางหลักไว้ ย, ยอ่อยๆถึงสามอย่างตัวนหนึ่งให้เว้นจากความชั่วทั้งปวงสองให้ปฏิบัติ ความดีสามให้ชำนาญใ จ, จหมดจดจากเครื่องสมองใจคือโรคโกรธหลงเป็นเดิม น, นี่ว่าโดยย่อเพียงแค่นี้จุดมุ่งหมายเพียงแค่นี้คืออันดัแรกอสอนให้เขารำเว้นจากความชั่วแล้วความชั่วนั่นคืออะไรความชั่วทางกายทางวาจาความชั่วอ่ะอาการที่กายกำสามประจีกำสี่ไอนน้ฝ่ายศีล น, นะ กายคำสามวิชีคำสี่นี้เป็นฝ่ายศีลละถ้าผู้ใดฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติภายในกรรมพูดเท็จพูดสอนเศษพูดคำํำหยาพูดเจอนั่นละทำชั่วต้องเว้นจากสิ่งเหล่านั้นแล้วปฏิบะก็เว้นจากสิ่งนั้นก็เรียวกว่าเป็นการรักษาศีลแล้วเอาประพฤติดีหนึ่งประพฤติดีนั้นจะเม็นต้องเป็นคนอ้อมน้อมผอมตน เจนเราปฏิบัติกันทุกวัามีการไหว้พระสอดมนุษย์มีการกราบไหว้สักการะบูชาพุทธธรรมพระสงฆ์อันนี้เอาไปจารมาย่ยแล้วก็มีการบริจาคทานให้ทานตามกําลังที่มีอันนั้นเรียกว่าประกอบความดีอันนี้เรียกว่าอบรมทางด้านใจต่อจากนั้นยังอีกต้องอบรมใจโดยตรงนี อบรมใจโดยให้ใจนั้นมีสติสมาธิปัญญาให้ใจนั้นมีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญาถ้าสติสมาธิปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วมันก็จะชำไปชาระของที่ไม่ดีอยู่ที่ใจของที่ไม่ดีอยู่ที่ใจต้นเขาใหญ่ไม่ก็โลภะความโลภความอยากได้โทสะความปนุนแรงความโกรธทยับ โมหาความหลงงมงายหรืออวิชชาความไม่รู้มันอยู่ในใจนะนี้าวาสร้างตัวสติสมาที่ปัญญาเกิดขึ้นแล้วห น, หน้าตัวนั้นแหละมันจะไปยำระล้างล้างสิ่งหนา น, นั้นออกเหมือนกับเราจะระเบไปล้างองค์กระกบกะักดิ์กดิกแล้วก็ตักน้ำสะอาดสะอาดแล้วก็เทใส่เทใส่เทใส่ น้ำสะอาดนั่นเอาไปชำระล้างน้ำสุขกระบอกหรือของสุกระบอเชื่อในองคน่ะมันไหลหนีเอาไว้หมดเทลงไปเลยน่ะนานขนาดกขัดเสด้วยมันก็จะสะอาดทีเดียวให้เราปสร้างความดีกันบกันเราไม่จะไปคํานึงถึงหรอกว่อาอดีตข้างหลังของเราได้ทําอะไรไว้บ้างไอ้ข้าสัพท์ตักเถอประพฤติในกามทําในดียังไงไม่งามอย่างใดละ ไม่ต้องไปว่ากันมันผ่านมาแล้วพ้นมาแล้วตาพุธีจะสอนให้ทำดีกันแล้วเอาดีใส่เข้าไปเลยใสยเข้าไปไหนใส่ตรงที่มันใส่เข้าไปที่ใจก็ใส่เข้าไปอย่างว่าเหมือนกับเราจะตักน้ำใส่โองเอาองมาสกปก็ตักใส่ตรงนั้นองที่มาสกปกแต่ว่าตักใส่มันมากอย่าไปตักใส่หน่อยตักใส่น้อยก็จะเพิ่มความตะวกเข้า ดังนั้นเราสร้างความดีท่านจึงให้เราเอาความดีใส่เข้าไปกายวาจากายของเราบันดีนืกไม่ดีไปหวาละกายดีนึกไม่ดีไม่เองหวะละทําทมันไปเลยสร้างมันไปเอาความดีเขาใส่เข้าเมื่อเอาสิ่งที่ดีที่งามใส่เข้าไปแล้วลมันก็มันก็จะสะอาดอันนี้เฉพาะใจนะแต่ฝ่ายกายนะท่านาก็กเอาแต่เบื้องต้นหรืเปล่าศีลคือรักษากายวาจา คล้ายกับว่าเราจะนุ่งเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่สะอาดๆแล้วต้องไปอาบน้ําชำระ ก, กายให้ดีๆซะก่อนเยี่ยมอมแมมเมื่ออาบน้ําดีแล้วจึงมาดูเสื้อผ้ามันก็จะดูสวยงามแต่ฝ่ายในใจนั่นน่ะมันเป็นของภายในมันไม่ใช่ของภายนอกแล้วจะไปชำระข้างนอ ก, กอนมันไม่ได้ ต้องเอาของดีใส่เข้าไปเลยไม่เหมือนศาสนาอื่นแย่งว่าศาสนาพราหมหรือศาสนาอื่นที่รขาถือกันล้างบาปหรือพมมบาปศาสนาพราหมถือการล้างบาปอาบน้ำล้างบาปศาสนาคิดก็ถือว่าสมาบาปไปปฏิญาณตัวเองว่าตัวเองนี่ทบาปตามลักษณะของศาสนาพราหมล้างบาปอาบน้า มันเป็นล้างกายให้สะอาดเพราะบาปมันไม่อยู่ที่กายบาปมันอยู่ที่ใจดังนั้นการล้างบาปนั้นพุทธิใจยงเอาศีลสมาธิปัญญาก็าไปล้างเราสร้างศรีสมาธิปัญญาให้มาเข้าว่ามันก็ไปล้างกันเองไหลออกเองนะมันไม่้อยู่วะนะดงนั้นพวกเรามาปฏิบัติเรื่องเรื่องธรรมเราก็ทําการมประลังของเราศีลเราก็ทําการมกาลังเหมือนกันส่วนภาวนาเนี่นทําเป็นประจำ มีการไหวพระสดบลภาวนาอั น, นี้ทำเฉพาะที่เวลาโทษทั่วไปต้องรักษาใจเทั้รนะักษาใจคุ้มครองใจอย่าปล่อยใจของเราให้สิ่งที่ไม่ดีวม่งามครอบนำหลนั้นก็เรียกว่าปฏิบัติเมื่อเราสำรวมปฏิบัติภา้ประเวณได้ว่าสีละสังวรคือระวังกายวาจากายก็ทำให้มันถูก วาจากพูดธ้ามันถูกยี่กว่าเสียสงรัสังวรรัสติสังวรคือระวังใจทีือวังใจเขาเราไม่ให้มันยิดดีไม่มันยิดลายในขณะที่มันเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นดิ้มรสถูกต้องโทษทพระรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจอันนี้เนี่ยตัวสำคัญ ใจของคนนะ่ะมันจะเห็นในในฝันว่าไม่ยินดีแล้วจะไปที่ไหนมันต้องยินดีต้องยินร้ายธรรมดาก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าใจสงบเป็นสมาธิแล้วไม่เป็นอย่างนั้นใจมันเป็นกลางถ้าใจของเรามีสมาธิแล้วแต่ใจยังไม่เป็นสมาธิมก็ต้องยินดีต้องยินร้ายเป็นธรมธรมดาธรรมดานั่นเองที่จะต้องให้ใจเป็นกลางต้องเข้าถึงความเป็นกลางแล้วนะจึงจะไม่มีทุกข์ ถ้าใจยังยินดียินร้ายอยู่มันเป็นทุกข์กันสุกเกี่ยวบนกันไปนั้นหลักการปฏิบัติเบืนทนท้องต้นเพื่อทั่วไปท่านจึงสอนให้เรากําหนดรู้กําหนดรู้ใจไม่ใช่กําหนดรู้อย่างอื่นอะไรอะไต่างๆก็กําหนดรู้ขึ้นมาที่ใจเอารู้สึกเป็นสุขพักําหนดรู้ใจเอารู้สึกเป็นทุกข์พับกําหนดรู้ใจ รู้ใจรู้สึกว่างุดกินเงิกนกําหนดรู้ใจเมื่อกําหนดลงไปที่นั่นน่ะสิ่งเหล่านั้นก็จะหลุดไปสิ่งที่ไม่ดีทั้งไม่งามก็จะหลุดออกไปมันไม่อยู่อ่ะเพราะตัวสติไปจับตรงนั้นแล้วมันอยู่ไม่ได้นี่คือหลักเฉพาะหลักทั่วไปแต่ทีนี้ถ้าว่าอันนี้หมายถึงข้อปฏิบัติเฉพาะแต่ละครั้งละข่าว ในฐานะที่ว่าสังวรแต่ทีนี้ถ้าใจของเรามันลงสู่สัมมาสมาธิแล้วเมื่อใดมันไม่มีอะไรที่จะไปทำลายจิตใจให้วันไหวได้เพราะใจมันมั่นคงแล้วมันเปียบเหมือนเสาหินที่ปักอยู่กลางแจ้งลองจะพัดตั้งแปดทิศเลยมันเข้าไม่ไปได้มันก็อยู่อย่างนั้นพัดมากับพระที่เสา คืนไปสาวก็เยี่ยงเก่าหายใจที่มีสมาธิและก็เหมือนกันไม่หวั่นไหวนะสิ่งภายนอกทั้งหลายเหล่านั้นมันขึ้นอยู่ที่สมมุติบัญญัติของมนุษย์ที่ถือทั้งก็เป็นไปตามสมมุติบัญญัติถือว่าดีไม่ดีถือว่าดีไม่ดีก็เลยยินดีร้ายไปตามแต่เมื่อใจมันมีดักมันคง มีหลักสมาธิเป็นหลักแล้วนะมันก็เป็นกลารอะไรผ่านมันก็แค้นอะไรผ่านมันก็แค่นนะดั้นเราต้องรู้จุดมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นี่คือหลักของโอวาทปฏิโมกข์ที่พระพุทธเจ้าให้ไว้รวมยอดคือให้เว้นความชั่วทังว้งปวงเมื่อเราสมาทานศีลรักษาศีลแล้ว ก, ก, ก็เป็นการเว้นของชั่วนั่นแหละแล้วประกอบความดีอาการที่เราพยายามให้ทางรักษาศีลเจริญภาวนา แต่ยังไม่เข้าถึงมากผลก็เชื่อว่าทําดีเนะี่ยแต่ทีนี้เราสามารถทําใจให้เกิดสมาธิให้สมาสมาธิเกิดขึ้นในจิตแล้วเมื่อใด น, นั่นเป็นทางให้ใจคล้องเราบริสุทธิ์ละทีเป็นการกําจัดโลภะโทสะโมหะออกจากใจใจได้แล้วถ้ามันเข้าถึงถ้ายังไม่เข้าถึงมันไม่ออกอ่ะทางมันจะออกได้ยังไงก็เคยก็เปรียบให้ฟังแล้วเมื่อกี้ว่าเหมือนกับ น้ำสกะบกที่มันอยู่ในหมอ้อเราเอาน้ําสะอาดเทเข้าไปเทเข้าไปมันอยู่ได้ที่ไหนน้าสกปรกอยู่ไม่ได้เทมาเข้าแต่มันก็ไหลหนีหมดอะ่ะไม่อยู่วะทว่าทาเทน้อยไปในน้ําสกปรกน้ําสายสะอาดมันก็เป็นชกน้ําสกปรกไปแต่ว่าเมื่อใสมากเข้ามาเข้ามันอยู่ไม่ได้ผนสุดท้ายน้ําก็ต้องสะอาดหม้ อ, อ ก, ก็สะอาดเพราะเรามันไปล้างกันเองเราเลิกว่าเราล้าง ความจริงไม่ใช่น้ําเราเทน้ําเข้าไปมันก็ไปล้างมันเองเราไม่ได้ล้างใจเขาเราเมื่อกันแล้วเอาธรรมะเข้าไปมันก็ไปฝึกปไ ป, ไ ป, ไปหัดไปกัดขัดเกากันดังนั้นในภาคปฏิบัติแล้วพี่ใหญ่จะบอกให้ตั้งอยู่ในความสังวนศีดาสังวรอันดับแรกคือระวังในการทําการพักผ่อนของเราระวังอย่าให้มันคลี่ซีด สติสังวรระวังอย่าให้ใจยินดีลายถ้ามันจะมายินดีนะให้กําหนดรู้ใจอะไรเกิดขึ้นจะเป็นดีตุให้ยินดีนะกําหนดรู้ใจก็สติก็จะเกิดขึ้นดีนั่นก็เป็นสติสังวรดีเมื่อสติสังวรดีแล้วเกิดญาณสังวรในระหว่างที่อยู่ในสติสังวรนั้นยังมีสังวรอีกตัวนึงเราขันติสังวร บางครั้งกันต้องการทั้งเข้าเราก็จะไม่ต้องใช้ความอดทนต่อสู้ให้ตลอดแต่เมื่อขันติสังวรสติสังวรดีก็แล้วาในสังวรเกิดขึ้นใดจดีเกิดขึ้นในกินมันถึกว่ารู้แล้วไม่ต้องไปห่วงถึงี้มารู้แล้วเหมือนกับรอรู้ว่ะเออนั่งผ่านไฟไม่ไปทับต้องถามว่าผ่านไฟมันร้อนไหมเมื่อเราจับแล้วมันไมหมมือมันไหมไหมไม่ต้องไปถาม เรารู้จักมันแล้วไฟอาการที่ใจของเราเข้ามีสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นแล้วกันมืกันมันรู้ขึ้นมาเองเลยเอ๋ออันนั้นดีหรือไม่ดีรู้เลยตลอดถึงสิ่งภายนอกสิ่งภายนอกต่างๆนี่ว่าทําบุญได้บุญไหมทํำบาปได้บาปไหมนรกมีไหมสวรรค์มี้ไห ม, มไปต้นบางคนอ่ะเขาทําบุญกระทํากับเขาไปยังไง เขาให้ทานก็ให้นะพระทํากับเขาแต่ว่าจิตใจก็ยังสงสัยอยู่นะบางทีอาจารย์ถูกอะไรได้ถูกเราเอ๊อาจารย์ทำบุญนี่มันได้บุญจริงๆมะให้ทานมันได้บุญจริงจริงไหมทางทักที่ตัวเองกำลังทำำําบําทําบุญทําทานอยู่นะอันนี้แสดงว่าทําตามเขาเขาว่าดีก็ทําไปตามดีเขานะั่นนะ ใจมันยังไม่เข้าถึงแต่เมื่อใดผู้ใดพอพฤติปฏิบัติอาศัยสิ่งเล็น้อยใจก็ได้รับความสงบเป็นสมาธิขก้นมาสมาสมาธิเกิดขึ้นแล้วเมื่อใดความสงสัยในสิ่งต่างๆนั้นจะหมดนไปที่เรียวกว่าวิธีกิจขาเบื้องต้นอะ่ะหมดเลยซึ่งเป็นของถ้าว่าเป็นของสอดดาบานแะล้วที่วิธีกิจามันยิ่งหมดไปเลย แต่ทีนี้ถ้ายังไม่ถึงงั้นได้เพียงแค่สัมมาสมาธิาาวิชฌิญฉานมันก็หายไปเหมือนกันบรรเทาได้หุดเลยนรกก็ไม่เห็นแล้วสวรรค์ก็ไม่เห็นแล้วแต่เราไม่สงสัยว่ามีหรือไม่มีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีภพเปตอสุรกายทั้งหลายก็ดีท่านหลานทัานกีนารศพท่าน ร, านนานานรู้ท่านเห็นท่านบอกไว้ท่านพยากรณ์ไว้ท่านมาได้โกหกแต่ที่เรา ทำทำแต่กรรเนี่ว่าเชื่อทันเชื่อพุทธเจา้าแต่ทีนี้เมื่อเราบวชเป็นแบบใจของเราเข้าถึงธรรมเราเชื่อธรรมเมื่อเราเชื่อธรรมแล้วมันก็าหายสงสัยในสิ่งขายนอกนั้นงั้นเราทุกคนเกิดมาแล้วดีแล้วขณะ น, นี้เรายังมีจีวิตยูยังไม่ลมหายใจเขาจบกาเพียนพยายามที่จะต้องสร้างสติสมาธิปัญญาให้ได้ ช่วยชีวิที่เรามีเยอะต้องให้มันได้ให้มันถึงไม่้มันมากก็น้อยมันต้องได้แน่นอนเราต้องเชื่อกรรมเชื่อการกระทํำเราทําอยู่มันจะไปไหนมันต้องได้แน่นอนเมื่อใจของเรามันเข้มแข็งอยู่อย่างนั้นไม่ท้อถอยมันก็มันไปได้นทำทั้งหลายที่นำประการนำมาแสดงก็นํามาเตือนใจญาติโยมทั้งหลายให้ยินดีพอใจในการเพื่อปฏิบัติพอเห็นว่าสมควรในเวลาเอวังก็ไปด้วยประกาศราชนี่ นาโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะข้าเตรียมทานข้างภาวนาภาวนาก็ถนอมใจของรักษาใจประข้างใน ให้ไปรู้อยู่ที่ใจฟังอยู่ที่ใจรักษาใจอยู่ตรงนั้นให้มันมั่นอยู่ในจุดเดียวเลยอย่ามันวิ่งไปที่อื่นนั่นนั่นเรียกว่าหลักสมาธิหลักให้ใจมั่นคือที่ตั้งของมันที่จุดรู้ของมันเราไปรู้อยู่จุดนั้นเปิดเมืองตนซะก่อน คือหลักของการปฏิภาวนาก็มีสองหลักหลักที่หนึ่งหนึ่งรู้อยู่หลักที่สองก็คือให้ใจไปรู้ให้ไปรู้เวทนารู้สัญญารู้สังขารรู้วิญญาณตามความเป็นจริงถ้าจริงรู้นอ ก, ม, นกมากระหว่างขว่ารู้สังขารทั้งหมดสังขารที่มีใจ ค, ครองหลายมัน ม, มนุษย์สัตว์ทั้งหลาย สังขารไม่มีใจครองหมายถึงแผ่นดินจนไม้ภูเขาว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ในสภาพของในวาน่าในจังทุกขาณาตารนั้นไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาแต่เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งที่เกิดขึ้นมาโดยสมมติเ็าเรียกกัน ว่านี่เป็นมนุษย์หรือว่เป็นสัตว์อันนี้เป็นผู้ชายอันนี้เป็นผู้หญิงผู้หญิงนั้นชื่อนั้นผู้ชายนั้นชื่อนั้นมีโคตรนาสสกุลอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้โดยสมมติแต่โดยปรมัดไม่มีผู้ชายคนหนึ่ ง, อ, งอ๋อ น, นี้เป็นผู้ชายเปแยกแยกเป็นขาดเป็นขัน แยกออกเป็นตัวเดือกเป็นธาตุคนคนหนึ่งก็มี็ธาตุสี่คือดินน้ำฝายลมแยกออกไปได้อันนี้คือดินอันนี้น้ำอันนี้ลมอันนี้ฝายเมื่อก็เลยไม่มีคนในนั้นคนอื่นก็เหมือนกันทั้งชายทั้งหญิงแล้วแยกออกไปแล้วมันมันก็เป็นธาตุเป็นขันนึ่งนั้นจึงไม่มีสันมุคนตัวตนอย่างนั้นเงีแยกธาตุมันอย่างนี้เรียกฝ่ายปรมาจารย าสมมุตมิทำกรรมฐานทั้งสมมุติกรรมฐานทั้งตัวเลยเรียกเอาเลยเนี่เอาผู้ชายทั้งตัวโมทั้งข้าศัตผ่านหน้านะั่นนะรวมกับไปชื่อนั้นชื่อนี้ลงไปพระพุทธญาก็สอนให้รู้สมมุติกับบัญญัติสมมติกับปรามัตดพอสมมุติตนั้นมันย่อมไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไปนันตาเพอไปยึดถือสมมุตินั้นก็จึงเป็นทุกข์ยากลำบา คงอยากลำบากพอไปถึงสมมติว่าเป็นเราเป็นของของเราเราสิ่งนั้นจะมาเป็นของเราอันนี้ปเป็นของเราแต่พระพุทธเจ้าให้เคยว่าใจของเราแต่ละคนนับเกิดขึ้นมาอาศัยอาศัยธาตุสีคันท่ า, าเป็นเหมือนบ้านเป็นเหมือนบ้านที่อยู่อาศัยเหมือนเรามาเช่าบ้านเขา เาบานเขาอยู่มันไม่ใช่บานเราเป็นของธรรมชาติเป็นของธรรมดาของธรรมชาติธรรมดานั้นมันก็มาอยู่อย่างนั้นมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปผลสุดท้ายก็แตกดับก็มันเองดังนั้นทวดจใจจึงให้เคืว่ามันมันไม่ใช่เรามัไม่ใช่ของของเราของที่มันเป็นมันมัน มันไม่ไปอย่างนั้นทีมันไม่ไปในทางตรงกันกขนาา้ามมันหมายถึงธาตรู้ภาวนธรรมที่เราเป็นธานรู้ดูภายในเนี่ที่เรียกว่าใจที่อะไรยังอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าพุโทโธเรียว่าโทนะใจแต่พุทธิญาณเราเรียกพุทธิเจ้าอย่างเดียวเรียกว่าซ้ํา พุทเจ้าก็หมายถึงเรียกใจของพระ อ, องค์นั่นแหละแต่ว่าให้เต็มก็เรียกว่าสัมมาสัมพุทธะพอถึงบุตะรู้บุตถาโดยพระ อ, องค์เองไนมะ่มีใครสั่งไม่มีใครสอนมาองเขาพถึงตัวจริงรู้ตัวจริงไม่ไปเถืออย่างไม่ถือเอารมณ์เป็นเป็นพระองค์ ไม่ถือเอาลูกเป็นผู้เจ้าไม่ถือเอาไวท้ทางพว่าถือเอาสัญญาสังขารมีเอาปเป็นผู้เจ้าแต่เข้าถึงถ่าตุรู้นี่สำหรับคนอื่นคือนอกจากผู้ที่เจ้าเรียกว่าอนุพุถธะแต่พูดทาน้อยก็มี่าตรู้กันนะ่ะมีใจคือกันนะั่นแหละต้องเข้าถึงตัวนั้นเข้าถึงตัวนั้นแล้วก็ไม่แฉเอาเข้าไปรู้อยู่แั้วนะ เวลาเข้ารู้สมาธิเราเพยายามพยายามที่จะเข้าเข้าไปสู่จุดตั้งนั้นให้เป็นหนึ่งรู้อยู่ในจุดรู้เรียกว่าเป็นหนึ่งให้รู้เป็นหนึ่งอยู่ในจุดรู้นั้จึงเรียกว่าไปรู้ใจหรือตรงนั้นกานไปรู้อยู่นั้นเราเข้าไปรู้อยู่ที่สารฐานฐานของสมาธิหรือว่าฐานของใจ ในถ้าเราไม่เข้าไปอยู่ด้วยสมาธิเนี่เวลาทั่วๆไปเราไม่ให้ใจไปอยู่ตรงนะั้นแต่ว่าอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยสติแต่ว่าอยู่ด้วยความรู้อะไมาก็รูนะ้ใจอะไรมาก็รูนะ้จแต่น่ะไม่ถืออย่างอื่นนอกจากใจ นอกจากความรู้สึกพอของภายนอกจากดองรู้จากข่าวสารรู้นั้นมันเกิดดับทางนั้น น, นับแต่สิ่งที่เป็นรูปที่ใจของเราใสา่เนี่ยมันก็เปลี่ยนหน้าอยู่เปลี่ยนตั้งแต่เด็กเป็นเล็กจนที่เราเกิดมาตั้งใจอยู่ท้องของแม่เนาะ เปลี่ยนเป็นเด็กทั้งหลกยต่อเป็นก้อนเนื้อแล้วแปลเปลี่ยนเป็นสาขาเป็นประจักษ์สาขาเป็นรูปร่างขึ้นมาเอาก็ไป็ชายเป็นหญิงเป็นเด็กกายเป็นหญิงขึ้นมาเมื่อไหา่ยุมากเข้ายากเข้าก็เป็นคนบางคนสาวประจานดับคนน่ะฉะ่งนั้นเปลี่ยนไปอย่างนั้นเข้ามัน ไม่อ้ธาตุโลคือใจก็ต้องอาศัยอยู่นั่นแหละแต่ว่าสิ่งนั้นมันก็ไปเข้ามาเนี่ยนะแล้วสุดท้ายมันก็แตกดับเข้ามันเองทั้งหมดนะั้นโลภธรรมทั้งรลภธรรมทั้งนามธรรมมัน ก, ก็ดับไปเองใจจึงเบาไม่ได้ถึงนี้ถ้าใจไปถือไปถือสิ่งนั้นไว้ไม่มารู้ใจตัวเองนะ ไม่ถือว่าสิ่งไม่ไปถือว่าสิ่งนั้นก็คือสังขารคือขันห้าไม่ใช่เราคุณ์ดาวก็คือท่านรู้ดวงรู้อันนี้ก็มารู้ดวงรู้หนึง่งเวลาต่อไปก็รู้ตัวเองเทวารู้ใจมีสติไปขึ้นอยู่ตกิไปในเวลาเข้าสมาธิกเรียกว่า สมาธิเป็นเครื่องอยู่เข้าสมาธิเป็นเครื่องอยู่หือให้ใจของเราเข้าสู่ที่ตั้งที่หมายที่จุดรู้มันน่ะเข้าไปอยู่นั้นไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนั่นทีนะเอาอยู่ที่ไหนบ้านที่ตั้งที่นอนมาอยู่ตรงไ้นเข้าไปเหมือนกับเรารู้จักที่นอนของเราในบ้านเขาหอนสำคัญที่สําคัญคือที่นอน เวลาจะเข้าที่นอนก็พบเข้าไปที่นอนเลยพอเข้าที่นอนเตรียนท่าหยุดนิ่งทุกอย่างไม่ทํางานแลย้ยเด็กนอนนะนใจเข้าไปรู้กหมือนกันไปรู้อยู่ในจุดรู้เข้าที่นอนเลยแล้วพอเข้าที่นอนหยุดรู้จักที่ตั้งดีแล้วนะก็รู้ว่านี่นะที่นอนที่อยู่ที่ตั้งของใจอยู่ตรงนี้ เห็นนี้ใจหนึ่งถาใจนั้นมันออกไปรับรู้ข้างนอกท่นเรียกวิญญาณเรียกว่าใจไปรู้นึแล้ววิญญาณแต่ว่ารู้อารมณ์อารมณ์ที่ไปรู้ว่ามันคืออะไรก็คือสุขคือทุกข์ที่มันมีเยื่นใจนะที่มันเกิด ข, ขึ้นในใจเดี๋ยวก็รู้สึกว่าไปสุข รู้สึกว่าสบายถึงจรู้สึกว่าโทษคืออึดอัดถึงเราทงหลายที่มันเกิดก็จําได้แล้วอันนี้มันเป็นสุขอันนี้เป็นทุกข์มันก็บอกมาเห้พอสุขเกิดขึ้นฟับมันก็บอกว่าโอ้สุขแต่ทุกข์เกิดมาเกิดนี่ทุกข์มันก็รู้วันนี้ปัญญาเกิดสังขารเขาใจก็ไปคิดอ่ะ คิดเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องอย่างต่างๆที่มาเกิดนั่นแหะอาการ ท, ที่ใจของเราเคลื่นอนที่ออกไปนั่นเองเรื่องวิญญาณอันนี้จะพราะภายในหรือจะเคลื่อนไปภายนอกเราเคลื่อนไปรู้ทางตาทางหูทางจมกูกทางเห็นทางกายนั่นแ่ละใจกระวิ่งไปอย่างนั้นกไปตั้งอันนี้เรารู้ทางไป มันก็ต้องไปรู้อย่างนั้นแต่แต่ผลสุดท้ายเราก็วางไม่ไปรู้อ่ะมารู้อยู่เพราะข้างไหนเฉพาะเนี่ยเอาคราวนี้เข้ามาสู่ที่สงบนี่รู้อยู่ในจุดรู้เข้าสมาธิข้างไหนเคยรู้เข้าสมาธิแน่นะหนาเขียนสารละก็มากําหนดรู้ว่านี่เป็นเวทอันนี้คือใจอ น, นี่คือเวทนานี่คือสัญญาในสังขารในวนิญญาณ สิ่งเหนั้นเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเส่วนสภาวาที่รู้ดวงรู้ก็ไม่แค่นี้ไม่เค่รู้นตะ่ถ้ารู้เนะี่ยต้องรู้แท่นี้นะนอกจากนั้นเนี่ยไม่เป็นเครื่องประกอบอะไรสอนให้รู้ตามแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็รู้อยู่ น, ะนี่คือหนละักปฏิบัติยอ่อๆตอนนี้ไปครูคนกับคน น, น้อมใจกับมานั่ง ตาที่สงบมันมั่นค